มันคําว่าจงกําจัดความกําหนัดในกาลทั้งหลายเสียความว่า <c oughs> ท่านจงกําจัดคือจงปราบปรามจงละจงบรรเทาจงทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มี <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าท่านจงกําจัดความกําหนัดในกาลทั้งหลายเสียเห <c oughs> <c oughs> ็นซึ่งเนกขมมะโดยความเป็นของกเกษมคําว่าเห็นก็คือเห็นแจ้งเทียบเคียงพยิจารณาจเจริญทําให้แจ้งแล้ว ซึ่งความปฏิบัติชอบความปฏิบัติตามสมควรความปฏิบัติไม่เป็นค่าสึกความปฏิบัติเป็นไปตามประโยชน์ความปฏิบัติทำสมควรแก่ทำความทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลาย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 เป็นธรรมะที่ซ่อนเร้นเป็นสาระเป็นที่พึ่งโดยไม่มีภัยไม่เคลื่อนไหวไม่ตายโดยเป็นธรรมะออกจันจากตันหาเครื่องร้อยรักอันว่าสรุปให้เห็นพระนิพพานและข้อปฏิบัติให้ถึงนิพพานเนี่ยเป็นความเกษมนะเริ่มตั้งแต่ปฏิบัติในศีลอินทรสังวรโภชเนมตัญยุตาชาคริยานุโยกสติสัมปชัญญะโพธิปัจจะธรรมเนี่ยนะให้เห็นว่าเป็นของเยี่ยมจริงๆนะแม้กระทั่งพระนิพพานก็ถือว่าเป็นของยอดเหมือนกัน แล้วให้ท่านละในสิ่งที่ท่านยึดเอาไว้นะคือที่ท่านยึดท่านจับต้องท่านถือมั่นติดใจน้อมใจไปด้วยตัณหาและทิฏฐนะิตัวตัณหาทิฏฐิที่พาไปยึดไปชอบอะไรเนี่ยตัดให้หมดฟังกันควรสลัดสลัดตัณหาทิฏฐิที่ท่านยึดไว้นะก็คือสลัดปล่อยละบรรเทาควรทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มี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 ไม่เคลื่อนไม่ตายจงกำจัดความกำหนัดในกามทั้งหลายเสียฉันทราคะาที่มีในกามทั้งหมดละให้หมดกิเลสเครื่องกังวลคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นที่ท่านยึดเอาไวน้นะท่านสลัดไอ้เครื่องกังวลเหล่านั้นเสียแล้วก็กล่าวต่อไปว่ากิเลสชาติใดในการก่อนท่านจงเผากิเลสชาตินั้นให้เหือดแห้งไป เรื่องกังวลในภายหลังอย่าได้มีแก่ท่านถ้าท่านจักไม่ยึดถือขันห้าในท่ามกลางท่านจักเป็นผู้สงบราคะเป็นต้นเที่ยวไปตัดกิเลสในอดีตตัดกิเลส ท, ที่เยื่อใหญในอดีตให้หมดตัดกิเลส ท, ที่ต้องการอนาคตให้หมดขันในปัจจุบันก็ไม่ต้องยึดด้วยตันหาและทิฏฐินะแล้วยังไงจะสงบกิเลสเที่ยวไปได้มานะคนถามก็ถามแต่นิพานะนะพระพุทธเจ้าก็ซ้อนให้ละสมุทัยละกิเลสแล้วท่านจะบรรลุมรรคผลนิพานเองเหม น, น คำว่ากิเลสชาติใดในการก่อนท่านจงเผากิเลสชาตินั้นให้เหือดแห้งไปความว่ากิเลสเหล่าใดพึงเกิดขึ้นปรารบถึงสังขารทั้งหลายในอดีตการท่านจงเผากิเลสเหล่านั้นให้เหือดแห้งอันนะีคือให้แห้งให้เกรียมให้กรอบให้ไม่มีพืชจงละบรรเทาทําทให้ส้นสุดทําให้ถึงความไม่มอนนะีอารมณ์ทั้งหลายที่เคยประสบมาในอดีตตัดเยื่อใยในอารมณ์นั้นให้หมดซะ อันหนึ่งกรรมมาพิสังขารในส่วนอดีตที่ที่ยังไม่ให้ผลน่ะนะท่านจงเผากรรมมาพิสังขารเหล่านั้นให้เหือนแห้งไปนะคือกรรมที่จะให้ผลน่ะนะกรรมทําไว้แล้วในอดีตนะท่านต้องไม่ให้กรรมอันนั้นนาเกิดอีกต้องเผาไอ้กรรมอันนั้นอ่ะไม่ให้กรรมมันนําเกิดอย่าลืมนะกรรมเนี่ยทำไมกรรมจึงนําเกิดเพราะอุปาทานเพราะตันหามันถ้าบอกว่าให้ทําลายกรรมในอดีตก็คือให้กรรมจัดตันหาอุปาทานน่ะ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 พราะฉะให้ตัดฉั้นธราค่าในขันห้าที่มีอยู่นี้สิท่านจักเป็นผู้สงบเที่ยวไปคําว่าจักเป็นผู้สงบคือเข้าไปสงบเข้าไปสงบวิเศษดับประงับความ أ, เพราะความที่ราคา่าโทสะโมหะความกโกรธความผูกโกรธริษยาตานีเป็นต้นเนี่ยนะตลอดจนถึงอากูสลาภิสังขารก็สงบถึงความสงบสงบวิเศษเผาเสร็จแล้วดับแล้วเที่ยวไปเนี่ยนะถ้าทําได้นะหนึ่งตัดกิเลสในขันในอดีตซะ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 กิเลสชาติเครื่องตังวลเนี่ยนะไอเครื่องตังวลขันห้าต่อไปในอนาคตเนี่ยจะได้มีแก่ท่านถ้าท่านจกไม่ยึดถือขันห้าในท่ามกลางท่านจกเป็นผู้สงบกิเลสทุกชนิดเที่ยวไปดูก่อนพรามอาสะวะทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ถึงอำนาจแห่งมัจจุยอมไม่มีแก่ะ้าหันตะขีนาศพผู้ปราศจากความกำหนัดในนามรูปโดยประการทั้งปวงผ้าหันตขีนาศพคือแปลว่า ขีอาสะวะนี่แปลว่าผู้สิ้นอาสะวะผ่าหันเนี่ยนะท่านกำจัดอาสะวะอาสะวะนี่แหละมันเป็นตัวให้นำไปสู่ความตายเพราะนั้นถ้ากำจัดอาสะวะได้แล้วก็พ้นจากความตาย คำว่าสัพพโซคือเรียกว่าโดยประการทั้งปวงคือไม่มีส่วนเหลืออรูปขันธ์สี่ชื่อว่านามมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่ชื่อว่ารูปฉั้นความกําหนัดในนามและรูปเหล่านี้เนี่ยไม่มีแก่พระหันตะขีนาศบโดยประการทั้งปวงนะเพราะพระหันตะขีนาศเนี่ยปราศจากความกําหนัดในนามและรูปเนี่ยนะไม่มีนามรูปอันใดเป็นที่ตั้งแห่งฉันทะค่าของพระหันตะขีนาศเลย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 อาสวะสี่คือการมาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะเนี่ยนะไม่มีแก่พระอรหันต์ขีนาศเพราะว่าอาสวะเหล่านี้ย่อมไม่มีไม่มีอยู่ไม่ปรากฏไม่ประจักษ์แก่พระอรหันต์ขีนาศคือพระอรหันต์ขีนาศเหล่านั้นเนี่ยละอาสวะได้แล้วตัดขาดแล้วสงบแล้วระงับแล้วทําให้ไม่อาจเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานพรัะไออาสวะที่เป็นเหตุให้ถึงความแก่และความตายเนี่ยนะ